มีอยู่สามวิธีคือหนึ่งเข้าทรงสองเชิญลงถ้วยสเข้าสมาธิไปติดต่อการเข้าทรงถ้าหากว่าการเข้าทรงสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็น์เราจะได้คำพูดที่เป็นสำนวนทั้งหมดของโอปปาติกะที่มาเข้าทรงวิธีนี้คนส่วนมากจะพอใจแต่อย่างไรก็ตาม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 โดยที่คนทรงไม่เหนื่อยและบางทีก็มีอภินิหารหรือมีข้อเท็จจริงที่ทำให้เชื่อถือได้สําหรับในกรณีอย่างนี้คำพูดที่แสดงออกมาไม่ใช่ออกมาจากโอปปาติกาทั้งหมดหรือถ้าจะพูดให้ถูกไม่ได้ออกมาจากโอปปปาติกาเลยแต่ออกมาจากคนทรงทั้งหมดการเข้าทรงแบบนี้ก็อยากเข้าใจว่าจะเป็นการหลอกลวง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 เมื่อผู้นั้นอยู่ในลนักษณะรู้สึกตัวบ้างไม่รู้สึกตัวบ้างเหมือนกับคนที่กำลังจะหลับด้วยอำนาจกระแสจิตของโอปปาติกะที่เข้ามาเพ่งอันนี้แหละจะทำให้คนทรงดึงเอาความรู้เก่าๆออกมาใช้ได้ด้วยเหตุนี้เองคนทรงบางคนทั้งที่เมื่อก่อนไม่เคยเป็นหมอไม่มีความรู้เรื่องยาแต่ก็สามารถบอกยาคนไข้ได้บอกอาการของคนไข้ได้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 คุณวัชรีเองในชาติก่อนก็เป็นนักเขียนรูปที่มีฝีมือเหมือนกันและประกอบกับคุณวัชรีมีตัวเป็นสื่อคุณวัชรีเคยถูกโอปปาติกะเข้าสิงจนกระทั่งหมดความรู้สึกตัววันหนึ่งสามีในชาติก่อนซึ่งมีชื่อว่ากฤษณะมาบอกคุณสีเพนให้ช่วยบอกคุณวัชรีเขียนรูปของเขาคุณวัชรีบอกว่าเขาจะเขียนได้อย่างไร เพราะเขาไม่เคยเห็นหน้าตาของปริณะเลยเรื่องราวในชาติก่อนก็ลืมไปหมดแล้วปฤษณะบอกว่าไม่เป็นไรเวลาจะเขียนรูปขอให้นึกถึงเขาขอให้ทำจิตให้เป็นสมาธิและเขาจะมาช่วยเขียนให้หลังจากที่ได้ตกลงกันในเรื่องวันและเวลาที่จะเขียนคุณวัชรีก็เขียนรูปปริสะซึ่งใช้เวลาในราวสองชั่วโมงเศษรูปนั้นก็เสร็จเรียบร้อย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 พอเห็นภาพคุณสีเพนก็ตกตะลึงเพราะว่าสามารถเขียนได้เหมือนกับรูปของกรีสนาจริงๆคุณวัชรีเขียนรูปกรีสนาได้อย่างไรเพราะคุณวัชรีไม่เห็นเรื่องนี้ก็อธิบายได้ด้วยหลักอย่างเดียวกับที่กล่าวมาแล้วนั่นเองอันที่จริงในชีวิตของคนทั่วไปก็มักจะเป็นไปนตามกฎอันนี้เสมอมากบ้างน้อยบ้างแต่คนทั้งหลายไม่รู้สึกตัวเอง